ในช่วงคุยจากวัดป่าในวันนี้อาตมาพระไพบูลย์อภิปุโน 2 รูปแบบแบบก็ กระบวนวิสัยก็อย่างเช่นว่าธรรมะเนี่ยอ่าถ้าเราเอาไปใช้ในการงาน ฤชาการคบเพื่อนดีพวกนี้ถ้าเราทําเนี่ยชื่อ เอ่อในช่วงนั้นแล้วก็นั่ง นอย่างถ้าเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยอ่าคําว่า practitioner เนี่ยคือผู้ปฏิบัติสมมุติคุณอ่าๆมาสักอย่างได้อย่างหนึ่งอย่างเงี้ยคุณๆนั่นเองและ ก็ 2 ส่วนด้วยกันแล้วคุณเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจํา ผมไม้เนี่ยพอเค้าสายๆหน่อยค่อยคลายออกก็ได้อย่างนี้ น่ะคือไม่ใช่ว่าการปฏิบัติก็ว่าไปปฏิบัติอย่างสมณวิสัยเนี่ยเอาไว้ด้านนึงนะแม้จะต้องลางานเตรียมการบางคนไปปฏิบัติก็ไม่อยากๆด้าน ในทุกๆมุมในถึงจะเรียกว่าเป็นเพชรที่งดงามได้เหมือนกันเช่นเดียวกันคือไม่ใช่ว่าเราขัดอยู่ด้านเดียวเนี่ยคือ มันก็จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยแวววับที่ใจเราๆแค่ว่าเราเรานั่งอยู่เฉย พิมพ์ได้อย่าง Facebook บ้างเดี๋ยวไป Twitter บ้างเช็คข่าวคนนั้นคนนี้ 1 ง, 2 ชั่วโมงนะตั้งมั่นอยู่กับ ฤาษี Facebook บ้างไม่ Twitter บ้างเงี้ยชื่อว่าดีแล้วนะมีการปฏิบัติที่อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นไอ้การปฏิบัติเนี่ยใช้ ปุรุชาใช้คําว่าสิกขานะถ้าปุรุชาต้องการจะแยกอ่าส่วนที่เฉพาะ อันคุณเรียนจบ ป. 6 ก็คุณไปต่อ ม. 6 1 นะจบ ม. 6 คุณไปต่อสายอาชีพกรรมีอะไรต่างๆถึงค่อยไปทํางานนะสมัยก่อน คุณจะเรียนเป็นช่างปั้นหม้อหรือเป็นช่างไม้อย่างเงี้ยคุณไปอยู่ คุณไปหาคู่มือมันไม่มีให้อ่านนะคู่มือ 5 อย่างเอ้างั้นเรา นั่นก็ทําได้ทันทีผู้อย่าใช้ตรงเนี้ยเรียกๆแล้วคําว่ามันมันกินความ ก็โดดลงไปในน้ําเลยจมกลืนน้ําสัก นี่ยังเป็นธรรมชาติด้วยอย่างเราเห็นเอ่อช่างหรือว่าคนที่ฝึกงานในโรงงานก็ตามเนี่ยถ้าผมว่าเค้าเพิ่งมาเริ่มฝึกงานเนี่ยเด็กฝึกงานเราจะเห็นละหมอฝึกงานก็ตามหรือว่าพยาบาลฝึกงานคน 10 ปี 20 30 ปี ออทมาเนียมาไว้ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยให้อย่างมากไงให้ชํานาญถามวิธีการง่ายๆที่สุดของการให้ทําให้ชํานาญเนี่ยก็คือทําบ่อยๆเดี๋ยวเพราะฉะนั้น 1 คุณทําถูกนะทําแล้วมาทางนี้ถูกทางแล้วนะ 2 ทําบ่อยๆนะคุณมาถูกทางคุณเดินไปบ่อยๆเดี๋ยวคุณทําได้ ก็คือเดินบ่อยๆทําไงก็เนี่ยอย่างปฏิบัติอย่างซ้ําๆย่ําๆรู้มันหัวใจบ้างนี่มาถูกทางแล้วนะเริ่มมาถูกทางแล้วแล้วทําบ่อยๆการปฏิบัตินี้นะเราก็ไม่ต้องแยกกันนะ อ่าน้ำซีอิ๊วเข้าไปแล้วก็กินน้ำตาลเข้าไปแล้วดีผ่านความร้อนปรุงรสกินเข้าไปคํานึงคือเอา ศีลเราจะมีรสชาติมีชีวิตชีวาในอย่างงี้ถึงจะถูกต้องนะในวันนี้นะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะ นะเตรียมพร้อมที่ว่าจะป้องกันประเทศในขณะเดียวกันพลเรือนบางคนเนี่ยก็มี 2 รูปแบบนะเราจะต้อง เนี่ยทําๆย้ําๆเราจะไปได้เราจะทําให้ธรรมะ ทำถ้าใครเคยนวดแป้งกับเวลาที่เราทําขนมนี่ถ้า แล้วดึงเส้นย้ำยับออกเนี่ยตะมิเส้นนี้เนี่ยก็ต้องดึงออกนวดจนกระทั่งมันนุ่มนวลเป็นเนื้อเดียวกันทองคําก็เหมือนกันทองคําก็ต้องมีการทําบริกรรมและโดยการเอาทองที่มันยังหยาบ นะรอดฝาดเนี่ยมันออกไปล้วนๆนะตรงนี้คือๆเนี่ยเราไม่ได้ นะ, 7 คุณรู้มรรค 8 คุณ 4 ต่างๆพวกเนี้ยทําให้เข้าเป็นเนื้อแป้งน้ํา มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันดังเช่นเดียวกันพฤชาไปเราก็ค่อยๆทําไปผสมไปกวน ทำบ่อยๆทำๆทำๆนะเราพูดกันทุกวันนะเพราะฉะนั้น